สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เป็นโค้งสุดท้ายของสุภาษิตบทที่ส1ข้อที่25จนถึงข้อที่31เครับเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ยินได้ฟังคำแบ่งปันของศิทธิพิบาลจากสุภาษิตครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่31 ข้อที่25ถึงข้อที่31กำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาพรของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิบลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองพี่น้องขับพวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น3ตอนย่อยๆครับตอนแรกอยู่ในข้อที่ 25-26 ตอนที่2อยู่ในข้อที่ 27-29 ถึง 29, ครับและตอนที่สอยู่ในข้อที่ 30-31 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ตอนในหัวข้อดังนี้ 1. เป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้หญิงหรือวีรศตรีหรือศรีภรยาที่คนจะชมเชยเธอ คำชื่นชมเป็นคำชมเชยเป็นการให้เกียรติแต่ในข้อที่27ถึงข้อที่29เนั้นเป็นคำชื่นชมที่เกิดจากครอบครัวของเธอเองและสุดท้ายในข้อที่3 0 3สอนั้นเป็นบทสรุปของชีวิตของผู้หญิงทุกทุกท่านที่อยู่ในโลกนี้ช่วงแรกครับในข้อที่ยี่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่ิบหครับ เราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับบทสรุปไกลๆนะครับของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นั้นเธอมีอาภรหรือคนอื่นเห็นนะครับให้คนอื่นเห็นว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีกําลังและความสง่าผ่าเผยอาพรที่แปลว่าเสื้อผ้านั้นเป็นคําเปรียบที่แสดงให้เห็นว่าเธอมีคุณลักษณะหรือมีแคาแรคเตอร์ที่ มีความเข้มแข็งและมีความสง่างามครับเธอไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเธอไม่ได้เป็นคนหวาดกลัวหรือขลาดกลัวเธอหัวเราะให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นหมายความว่าเธอมีแผนการเธอเตรียมพร้อมเธอเตรียมรับไว้แต่ไกลสามาร ถ, ถเผชิญกับวันพุ่งนี้ได้อย่างมั่นใจพี่น้องครับ ผู้หญิงที่สามารถจะเผชิญวันพรุ่งนี้และให้ครอบครัวของเธอได้พบกับวันพรุ่งนี้ได้อย่างมั่นใจนั้นก็คือเป็นภรรยาที่ประเสริฐและเป็นคุณแม่ที่มีคุณธรรมคุณแม่ที่เตรียมพร้อมคุณแม่ที่วางแผนคุณแม่ที่เห็นอนาคตนี่คือสติปัญญาที่ตามมาในขอ้อที่26ครับผู้หญิงคนนี้ได้รับการยกย่องเพราะเนื่องจากสติปัญญาของเธอการที่เธอมีสติปัญญา และคำสั่งสอนของเธอที่มีกับลูกๆของเธอนั้นก็ทําให้เธอได้อ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและมีคําสอนที่เจือด้วยความเอ็นดูพี่น้องครับคําสั่งสอนหรือคําเตือนสตินั้นต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาและมีความเอ็นดูครับความเอ็นดูนั้นก็คือมีจิตใจที่เมตตาจิตใจที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเราเห็นว่าผู้หญิงอย่างนี้ไม่ใช่หาง่ายนะครับเพราะเหตุที่ว่า การใช้ปากหรือการใช้เสียงหรือคำพูดนะครับมีความสําคัญมากเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเมื่อผมอ่านพระกัมพตีตอนนี้ก็ทําให้มีความรู้สึกว่าไม่เพียงแต่ผู้หญิงที่จะต้องพูดด้วยสติปัญญาและพูดด้วยความรักความเอ็นดูผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจะพูดอะไร ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะพูดด้วยสติปัญญาและด้วยความรักความเอ็นดูให้ผู้อื่นนั้นเขาสัมผัสว่าเรานั้นรักเขาเรานั้นมีความเมตตาเขาเรานั้นมีความเข้าใจเขาเรามีความเอ็นดูเขาหลายหายครั้งทีเดียวครับเราอาจจะมีจิตใจที่ตรงมีจใจที่ปรารถนาดีแต่ว่าคําพูดของเรานั้นเป็นคําพูดที่ข้วนเกินไปหรือแข็งเกินไปหรืออาจจะ คนฟังนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเรามีความเอ็นดูเขาหรือเรารักเขาขอให้เจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงคําพูดหลายครั้งทีเดียวสําหรับคนที่พูดตรงไปตรงมานั้นก็กลายเป็นความอ่อนหรือเป็นจุดอ่อนต่อไปครับเราจะมาดูในข้อที่27่สิบถึง29่สถึงยีนั้นเป็นประเด็นที่2ก็คือว่าเป็น เรื่องที่ครอบครัวของเธอนั้นเห็นความสําคัญของเธอและชมเชยเธอเ พ, พิ่มพิกล่าวว่าเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิบลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอสรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทําอย่างดีเลอิอแต่เธอเลิอยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพี่น้องครับสามีและลูกๆนั้นก็เป็นผู้ที่รู้จักเธอมากที่สุด ชมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เลิอดประเสริฐเธอเป็นผู้หญิงที่ฉเฉลียวฉะลาดเธอเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมเธอจัดการบ้านเรือนของเธอได้ดีเธอจัดลําดับความสําคัญสูงแก่ครอบครัวของเธอแน่นอนครับผู้หญิงที่เลือดประเสริฐอย่างนี้สมควรได้รับการชื่นชมและสรรเสริญเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากของเธอเราเห็นนะครับว่าคนอื่นๆเอาใจใส่เธอในฐานะที่เป็นผลลัพธ์ ผลลัพธ์จากการกระทําของเธอแต่ว่าครอบครัวนั้นสําคัญที่สุดครับครอบครัวสรรเสริญครอบครัวยกย่องอันนี้เป็นสิ่งที่หายากครับเป็นผู้หญิงที่สามีและลูกๆนั้นยกย่องทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวครับเธอทําอย่างดีเลิศและเธอประเสริฐสตรีธรรมดาทั่วๆไปครับที่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ภรรยานั้น เป็นคนดีสตรีเป็นนั้นมากดีเลิศแต่เธอเลิศที่สุดเธอเลิศยิ่งกว่าสตรีเหล่านั้นทั้งหมดพี่น้องครับนี่คือความชื่นชมและความน่าชื่นใจใช่ไหมครับของศรีภรยาและก็คุณแม่ที่ดีของลูกของหลานการสอนลูกๆตลอดจนการสอนสาวใช้ของเธอเพื่อที่จะจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยเพราะว่า เธอเป็นเหมือนกับผู้จัด ก, การใหญ่ในบ้านครับเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอเธอเกี่ยวข้องกับการบริหารจัด ก, การครับเธอเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมหลากหลายในฐานะของแม่บ้านและเธอไม่ได้เกียรติค้านเลยครับเราพบว่าลูกๆนะครับชมเชยมากเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเธอยินดีในบทบาทชีวิตของเธอพี่น้องครับคําว่ายินดีในบทบาทชีวิตของเธอนั้น ก็มีความหมายว่าเธอทำงานอย่างมีความสุขพี่น้องครับทำงานหนักอย่างมีความสุขก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นคำสอนของเราในเช้าวันนี้ได้ด้วยเช่นกันครับหลายลครั้งทีเดียวบางคนนั้นทำงานหนักแต่ไม่มีความสุขบางคนไม่มีความสุขในการทำงานหรือแม้กระทั่งบางคนนั้นมีความทุกข์แม้ว่างานจะน้อยงานจะเบาก็ตาม ความสุขในการทํางานนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจครับหากว่าเรารักใครเราชอบใครเราจะทําให้คนคนนั้นอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบเราจะทําแบบขอไปทีเราจะทแบบํทาทแบบไม่เต็มใจและในที่สุดผลงานออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นขอพระเจ้าช่วยเราในกรณีนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันครับที่เราจะทางานอย่างมีความสุขและเรียนแบบ คุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือเป็นผู้ที่ทำงานหนักแต่มีความสุขพี่น้องครับบางคนอาจจะถามว่าคำว่าชุบมือเปิบแปลว่าอะไรในฉบับ2011นะครับก็ได้แปลชัดเจนครับว่าการเกียรติคานหรือความเกียดขคันเองภาษาอังกฤษบอกว่า she doesn't eat the bread of idleness คำว่า idleness นั้นแปลว่า การอยู่เฉ ย, เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ทํางานอะไรก็คือความเกียดค้านมันตรงกับคําว่าชุบมือเปื้อนก็คือว่าได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เธอไม่ได้ลงทุนลงแรงเธอไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นการดูแลการงานในครัวเรือนของเธอเธอดูแลด้วยความฉเฉลียวฉลาดและความวิจัยษ์อุตสาหะเธอไม่เกียดค้าน เรามาถึงโคงสุดท้ายตอนสุดท้ายในข้อที่30และ31เป็นบทสรุปของศรีภรยาและคุณแม่ที่ประเสริฐเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองพี่น้องครับคุณสมบัติของภรยาที่ดี เป็นคุณสมบัติที่รับการยกย่องมาตลอดการทำงานหนักการลงทุนอย่างฉลาดการใช้เวลาที่ดีการวางแผนล่วงหน้าการเอาใจใส่ครอบครัวของตนเองและผู้อื่นการนับถือคู่ครองของตนความสามารถในการถ่ายทอดสติปัญญาคำสอนแบ่งปันค่านิยมของพระเจ้าให้กับผู้ผอื่นนั้นเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องยอดเยี่ยม การให้คําปรึกษาที่ฉลาดและในที่สุดนั้นความยำเกรงพระเจ้าครับสเสน่ห์ที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นของหลอกลวงเพราะว่ามีวันหนึ่งครับสเสน่ห์ก็จะเกิดความเคยชินในสเสน่ห์นั้นความงามก็เช่นเดียวกันครับเปล่าประโยชน์เพราะว่าอยู่กันไปนานๆความงามที่เคยงามมาก่อนก็หายงามแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคําสรรเสริญครับเพราะว่า เธอนั้นนมัสการพระเจ้าเธอวางใจพระเจ้าเธอรับใช้พระเจ้าเธอรักพระเจ้าเธอเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับสุภาษิตกล่าวถึงเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่นํามาซึ่งเกียรติคําสรรเสริญและความสําเร็จครับเกียรติยศคําสรรเสริญและความสําเร็จเป็นคุณค่าของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันครับเมื่อเรา มองดูทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเราทั้งหลายก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นกายเดียวกันเราเองนั้นเป็นกายเดียวกันกับพระเยสุคริตพระเยซุคริตได้เปรียบเทียบ ว, ว่าเราทั้งหลายเป็นเจ้าสาวและพระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวและมีวันหนึ่งครับพระองค์จะเสด็จกลับมารับเจ้าสาวไปอยู่กับพระองค์ไปเลี้ยงฉลองในวันพิธี ของพระเมสสปอดกพี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ชายและผู้หญิงนั้นเราเองนั้นอาจจะต้องเรียนแบบคำสรรเสริญภรรยาที่ดีและมีคุณลักษณะแบบภรรยาที่ดีคือตั้งแต่ในข้อที่10จนถึงข้อที่31ครับเพื่อที่จะให้โลกเห็นว่าภรรยาที่ดีหรือเจ้าสาวที่ดีของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้ชายหนุ่มนะครับ ผู้ชายสุภาพบุรุษทั้งหลายสามารถเรียนรู้จากภรรยาที่ดีนี้ได้โดยความยำเกรินพระเจ้าเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาและดาเนินดารงอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าได้นั่นคือสาระเนื้อหาของพระธรรมสุภาษิตนี้เองในที่สุดนั้นเราจะได้รับผลแห่งน้ำมือของเราและการงานของเราก็จะเป็นเหตุที่เราสามารถที่จะได้รับการยกย่องในที่สุดเมื่อ ถึงคราวที่พระเจ้าจะพิพากษาถึงคราวที่เราจะต้องถวายรายงานกับพระเจ้าถึงคราวที่เราเองนั้นจะต้องรับรางวัลที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราอาเมน